พระองค์บอกว่าพระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อเป็นแบบอย่างของ เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์แล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำ <c oughs> แสดงธรรมไพรเรอในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะเราดูบทพัญชนะ <ia> จึงบอกว่านี้เป็นทั้ง 60 รูปแรกนั้นไปประกาศศาสนาคือไป ย่อมเกิดสัทธาในตถาคตเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธา เราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาด เครื่องนุ่มห่มก็ผ้า 3 ผืนนะไม่มีภาระกังวลอะไร พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกน่ะเป็นพระ เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบปรอมงับเป็นธรรมที่เป็น สถาคตเป็นมรรคญูรู้มรรคก่อนเป็นมรรควิทูรู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคโกวิทูเป็นการนี้เป็นเพียงมัคคานุขาผู้ ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติ 3 อย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกธรรมชาติ 3 อย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติ ธรรมชาติ 3 อย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไสตถาคต 3 อย่างเหล่านี้มีอยู่ใน และทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไป เพราะว่าความสามารถ <c oughs> <vastly lava> <less> พระองค์จึงบอกว่าๆก็ตามไม่มีประโยชน์เลยเพราะทุก พ้นอันนี้จึงเป็นตัวอย่างว่าความตายไม่ได้นะและๆ <c oughs> เรื่องแปลกประหลาดพิสดารในโลกนั้นพระ 4 เป็น 1 ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เร่ง ผู้จาบอกว่า <c oughs> เร 3 เรื่องเท่า 12